55. อนุสัยที่เป็นขั้นปลายสุดนั้นสุดสุดทั้งร้ายและทั้งดีและถ้าอนุสัยเป็นขั้นปลายหากมีฤทธิ์แรงที่เลวก็เลวสุดสุดหากมีฤทธิ์แรงที่ดีก็ดีสุดสุดสำหรับอนุสัยขั้นปลายสุดนั้นถ้าเป็นโล ก, กีธรรมก็ยากจะแก้ไข แม้จะศึกษาเล่าเรียนจนสัมมาทิฐิก็ยังจะต้องกาจัดพลังงานที่ได้สั่งสมกระทั่งเป็นอนุสัยนี้การอีกยากและนานพอได้ยินคำว่ายากและนานผู้ยังเป็นโลกียชนอยู่ก็อย่าท้อเสียหลักเพราะจะอย่างไรมันก็ต้องเริ่มต้น จึงจะสามารถทำให้หมดสิ้นได้ไม่มีอะไรที่ไม่เริ่มต้นโดยตนเองในความเป็นตนคขนไปท้อแล้วไม่ฮึดเริ่มต้นการสักทีเลยยิ่งเติมโลกียรรมใส่ตนหนักหนาหนักหน้าขึ้นไปอีกอีกอีกอีกอี ก, อกแล้วจะรอเมื่อไรกันเล่าจึงจะเริ่มฮึดสู้ มันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคนฉลาดที่เข้าใจได้จริงจึงไม่รอช้าแน่นอนเด็ดขาดก็เพราะไม่ยอมฉลาดกันเสียทีนี่เองจึงยังสั่งสมอนุสัยที่ยิ่งร้ายยิ่งแรงยิ่งลึกยิ่งลับแม้แต่ตนเองก็ยิ่งไม่รู้สีรู้สาหนักเข้าไปใหญ่ ยิ่งยิ่งน่าสงสารคนผู้ไม่รู้สีรู้สาที่ว่านี้จริงๆส่วนคนที่รู้สีรู้สาหรือเข้าใจเข้าใจดีแต่ไม่เริ่มสักทีนั้นมันก็สุดที่จะสงสารแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปที่ชอบชอบกันเท่านั้นแหละความร้ายและความแรงของไฟเลว ฝ่ายไม่ดีจึงยากยิ่งด้วยประการรัชนีโลกจึงยังมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเกิดขึ้นในโลกอยู่ร่ำไปยิ่งโลกใกล้กรียุคนี้ยิ่งอภิบ ร, รมมหายากเย็นจริงๆความร้ายของอนุสัยที่เร็วนั้นมันไม่เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน มันจะต่างคนต่างยืดของตนแล้วก็หาอื่นๆแปลกๆใหม่ๆออกไปเรื่อยๆยิ่งไม่เหมือนกันออกไปเรื่อยๆไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีเอกภาพที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายตนหนึ่งเดียวยิ่งใหญ่ ที่รวยประโยชน์จากมวลมนุษยชาติในโลกจะเห็นแก่ตัวเต็มบริสุทธ์เพราะอะไรอะไรก็จะยืดเป็นของตัวของตนยิ่งยิ่งไม่มีจบจึงไม่มีเสียสละอย่างจริงใจบริสุทธิ์ใจสมัครใจเต็มใจชื่นใจอิ่มเอมใจเหมือนเหมือนกันจะต่างก็แยกแปลกแพกต่างมีโทษพิเศษ มากหลายลึกลับซับซ้อนกันยิ่งยิ่งขึ้นอย่างหาประมาณไม่ได้โลกจึงแหลกเหลวประไลกันด้วยอนุสัยเลวร้ายชนิ้แล